ความหมายของคำว่าวิญญาณอายตนะนามเจตสิกสัมปยุต ธ, ธรรมรูปมหาภูต ร, รูปวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดมหาภูต ร, รูปคือธาตุทั้งสี่และเกี่ยวกับคำว่าธาตุตัวอย่างธาตุทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดธาตุทั้งสี่คิดอย่างไรจึงจะเข้าใจซึ้ง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 วิญญาณกับรูปเป็นวิปยุตธรรมบทวินิจฉัยวิญญาณหกเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเรื่องวิญญาณหกเรื่องจุติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณผวังค้าวิญญาณพอวิญญาณจุติก็ปฏิสนธิทันทีบทวินิจฉัยวิถีวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูป วิญญาณมีสองประเภทคือวิถีวิญญาณวิญญาณที่รู้สึกตัวได้และภวังค้าวิญญาณวิญญาณที่รู้สึกตัวไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีวิญญาณกับภวังค้าวิญญาณบทวินิจฉัยชีวิตแรกเกิดมีวิญญาณมาปฏิสนธิแล้วหรือยังเรื่องกรรมัชรูปคือหลักฐานอันหนึ่งที่แสดงว่า วิญญาณได้มาปฏิสนธิตั้งแต่ชีวิตเริ่มอุบัติกรรมัชรูปคือรูปเกิดแต่กรรมมีอะไรบ้างชีวิตแรกเกิดใหม่ๆบาลีเรียกว่ากาละละลักษณะและขนาดแห่งกาลละลำดับแห่งการเจริญเติบโตของทารกในครรนข้อพิสูจน์ในทางการแพทย์ปัจจุบัน ทำให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาง่ายขึ้นพุทธศาสนารู้หลักชีววิทยามาตั้งสองพันกว่าปีแล้วพวังขจิตตั้งอยู่ที่สมองเหตุไรพระพุทธโคสะหรือพระพุทธโคษาจาร์จนเข้าใจว่าวิญญาณตั้งอยู่ในหัวใจในที่นี้คือพระอัฏฐกถาจารย์องค์สำคัญ